เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหารือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยูงตีกันกระจายมายูงชกกันยุ่งอยู่นั <c oughs> น่นไม่มีเวลาสงบยุ่งเันตลอดเวลายุ่งเหมือนยูงตีกันยูงชกกันจิตของ ขัน้นพุทธสุดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้านี่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนี่งมีเพียงเรื่องข้อเทียบเทียมแต่จิตนั่นมันไม่เหมือนน้ำเพราะไม่ใช่ด้านมาัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุ่เหมือนกันกับพวกเราจิตของทุกคนต้องเป็นสภายุง ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลามันมีกรรมการจะมาตัดสินถ้ามีกรรมการใดจะมาแยกออกคันกันตงนั้นอ่ะตะลอดเวลากรรมการก็าขึ้นเวทีเขายังมีนมึกวานอกเมือ็เขาเนชกกันบนเวทีก็ายัง ม, มีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาพจิต สภายิงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายิงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลงลุกคู่ครั้ก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราใครจะแยกใครวเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอมวยยุงสภายุงนี่แล้วก็เหมือนยังครูบาอาจารย์ธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟัง หนึ่คือไม่อยากแยกคืนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอย่างนั้นทั้งมันทั้งคืนอืมรับตื่นลืมตาอะไรก็ ต, ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยนั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเที่ยบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมายังไงไงมัง่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้ ไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากคุมมุ่งอ่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนพูดนวานตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าหที่ครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกขันธ์อรหันต์แยกออกด้วยเหตุด้วยผลด้อยอัดด้วยธรรม แต่จิตมไม่ชอบธรรมดาจิตสะพายูงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นัจึงหาความสิดไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กาลใดความสุดก็ ม, มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่กาลนั้นกนะี่ปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่มันเคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทาให้คข้อยตามมันเชื่อมันไป ท, ทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แยะจะแยะพอที่จะฝืนกันมั่งภาคู่ด้วยสวนใจในอนัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราั้งหลายวัอปฏิบัติกั น, นี้ การธรรมดาการปฏิบัติการพิษหาาัดดัดแยงคือการฝึกทรมานจิตใจนิ้กดีบังคับจิตแม่มันคิดแปลที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่า ง, งานอนหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระบนอย่างไรเราก็ทํานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายังไงก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทํา ผู้ไม่เชื่อทาก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเขื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั่นแหละมันพาลงเหวลงบอ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางฟื้น ต, ตัวอย่างไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมห็นโทษจิป็นความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความจุขความสบายมีมากอย่างไรก็มา ก่อให้เกิดความรุ่นแรงวุ่นวาต่อกันมากดังนั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากตบบที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดในฉลาดเพื่อการตบเรื่องทุกข์ฉลาดในการเห็นอกเห็นใจกันเพื่อเพียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นธรรมีมากเท่าไหร่ก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง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 จึงต้องแยกทีนี้าเป็นมวยก็แยกและทีสมมติว่าเป็นสภายุนเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่ผิดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิพจิติจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น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 ทุกทางใจนี้เกิดเพราะหน้าของจิตเด็กทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะหน้าของจิตเด็กทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ช้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งคือรู้ว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั้นเป็นเดาเนี่มีความแยกกันจะเป็นเพื่อนบากน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแก้ไขกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามภาษาใจอย่าให้คำเลิกไปยึดไปถือไปวุ่นวากับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุ น, นั้นแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนัก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 สอนทำท่านสอนโดยถูกต้องทูปฏิบัติทำจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องท่านุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวื่องกันอยู่กับกายของเราตลอดเวลานี่แหละแต่ปฏิบัติที่ไหนเออปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครใครสิ่งแใดล้อมใดก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหล่างขัน ก, กับจิตซึ่งติดแน่เดียกับเรา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 ลักษณะต่างๆก็ทราบว่าถ้าขันมันแปรปรวนของมันแต่ใจยอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคคนิกนั้นเนี่ยหาเรืคค่องโรคเพื่ออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกถึงตัวเอง ม, มาเจียตแทนตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภ า, ายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองนิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เกิดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตาเน้นหมอกให้ถากให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นดูของขันก็มอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นดูเพื่อจะไปมีความแปลกากภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ถ้ามีว่างวันกลางคืนเดูนเดินนั่นอนแย่อย่างนั้นผมเมื่อแย่ไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเราทราบไหมทุกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรมนับลรีว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภายในก า, ายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรื้อพบรื้อฆ่รื้อพิเดชคันหาอาสวะจะต้องรื้อที่จิตจะต้องรื้อที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานเสนอเสีสารุมาณขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหลนี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียเส้นนดำดำยาวยาหรือข า, ขาวขาวยาวยามก็ว่าเป็นตนเสียะอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนมาทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนผนเล็บฟันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระบอกโซบ ม, มขนาดไหนเป็นอยู่ภ า, ายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะตนของเราจต็มเป็นเพรด้วยสิ่งทุกกระบอกโซบ ม, มเมื่อสิงทุกกระบอกโซมมงมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดภายาจิตใจได้อย่างไรเพื่อววความสะอาดภาจจยจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกะกสวมมอมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศัยการชั่วระยะการเท่า น, านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเฮนี่เยอะกว่าเรียน ในวัดเรียกว่าชำนาจตัวเองแต่จริงตอนนี้ก็อปอยู่ตามสภาพจิตใจของเราเปร่อมเย็นเรารเรพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสนมเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประกั น, น่คือมีความเย็นมีความสบายไม่สุมเฟอเ้อเผื่อมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบเปร่อมเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ ทำเราเริ่มร่มเย็น เ, เวลาท่านบวชพระทําไมไม่ว่าอุปชาใดก็าตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงไรก็าตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าทิ่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวนเนรต้องสอนกรรมฐานห้ให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เบซาลูมานาคารันตาตะโจตะโจดัานคาลูมาเบซาสอนอารมพิจารณาแบบอารโลกพิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจะนิดทำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอยดลอเข้าไปโดยลำดับลำดับมีอุปท า, า 3, นใดก็ตามเวลาบวชกุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนพิเรนต์ัญหาเชวะอุปท า, านทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตาจัจากรปัญจกะกรรมฐานกรรมาฐานมีนนหนังเป็นที่ห้าอันนึงครอบพอเป็นต้นรากาสโคนการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันนึงสอนให้พิจารณา ถูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่งเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งคำหล อ, อกคำไง่เกราะ็สภาพเหมือนๆกันกลัวผีกลัวปัดจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยสัยช้างอยู่ในนี้นร่างกายของเรา ม, มันตุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซาสกีส่ศพ สัตว์สีประเภทมันก็ค่อยวันจืว่าในป่าชา้าผีดิตคนนี้รูพี่อันนี้นะจะไปตื่นเต้นลหลงไหลอะไรกับป่ า, าที่ไหนอีกฮึออกทีนี้เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรนั่งแล้วก็ดูที่ครัวไปแล้วมันเราไม่เห็นกลัวผีภายนอกตัวซากกบซากเต่ดซากปูซากปลาอะไรนันเต็มอยไปในครัวเห็นเป็ไเเปดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเผยไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแต่ตนเองเองกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลํำบากลาบนเมื่อเราี่จารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวือยุ่นได้คติอันดีด้วยนานี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอะไรนี้ป่าช้าพิจนาจนเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนเรื่งอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ต า, ามเถิดถ้าลงปัญญาและพิจารณาเสื่อมร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความสำนึกทนานเกิดความกว้างแค่ก้วาวขแบบึ้นมาโดยลําดับลำดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคําว่าอุปทานคือจิตไปเที่ยวยึนนดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปล ว, ว่านั่นเป็นเราอันนี้เป็นของเราันไปเที่ยวอาศัยอยู่ใงนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอํานาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่า น, นั้นมาเป็นอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดมันพิจารณายแยกแยกสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวงเราได้ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาพาจารใจใจก็สงบร่มเย็นนู่ ท่านสอนก็นมาถานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเชิงในจิตยิ่งมีความขระจ่างแจ้งไปดูลำดับทะลุอุปส่วงไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารอยู่ภานจิตใจเวลามํานาจ จ, าานาจริงๆมี่ตามความจริงหลางการของเรานี่พอกำหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันไร มักจะร่างกายของสัต์ของบุคคลภายนอกหรือมางจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความจะมีคำนาณแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหลือได้อย่างใจมองเห็นจัตถึงบุคคลนี้มันจะได้มองเห็นธรรมดาของสัตของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเละมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละพระจักษ์ภารกิจใจพอกําหนดปั๊บ อย่นี้มันจะวิ่งเขาถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วมี่คือความชำนาญแล้วเขียนหนังสือทีแออกเขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วเพิ่งหัดหอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนย่งนันไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาก็เริ่มเป็นตุลเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปเดยลำดับๆต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตาเงี้นติดกันที่ตรงนี้เ่านั้นชำนานขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นเทียบกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนตา่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐ า, านนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพรปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นตัางหากนี่แทนเรียกว่ากรรมฐานงานหรือโลกรู้ตรงสารหรือ้พหรู้พลาดรู้กิเลสตัณหาหรู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญปักฟันกิเลสตัณหาอัตวะความนิดมั่นถือมั่นสาคัญมาสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกประจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะนั่งไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายปเป็นผู้ปลอมที่เดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของเสียงนั้นนะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับ่นนะอืม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 นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารณามาเป็นสติปัญญาที่เคลี่อนไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหาร่ายีิเรยมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติออกแม่แค่นิษ้านขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของเรา ตั้บ้านตัเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนีไงเวลาลวเราเยือนอัดเดยือนทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพี่เหลสเนี่ยหาลูกหาดล้า น, นว่าดปูยา่าตายายาของมันทําลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพพชาติของมันหมดไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเหมื่อที่เด็ดตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากเนาะความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เด็ดสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขเพราะที่เด็ดมาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกข์มาให้เราเีี่ยพอฆ่าที่เด็ดลงไปจนกระทั่งที่เด็ดตายหมดแล้ว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 สิ่งกดท่วงนึปกปิดกับบ้นัางข้างหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองน่ะสมาธิโมปดีโปะเปหมายเึ็นอะไรเป็นธรรมถ้าหมายถึงจิตที่บริกสุดเรื่องล้วนเป็นธรรมตั้งแท่งไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้เลจยที่ที่กล่าวในในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นน้ํากนหนึ่งใสสะอาดรสธาตุก็อน กลมกลมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติหมดทั้งต้องติมันเลยเป็นสภายุงอีกเนี่ยลายมันออกสภายุงพันธุ์จิตใจมันมันเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นไหนก็รู้ ไหนก็สว่างสมัยเนีย่ยคี่เคยพูดว่าถ้าเราเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกฐานนี้จะมาแย่งชัชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล้ากราบว่าอย่างสนิทก็าเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ้าวโอก็ได้ฟังชัดว่าทาท่านประกาศคุณภาพ แห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเพทําแสดงกังวานออกมาด้วยเอ้อว่ายังไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเป็นิศต้องการของดีพิเศษอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่มไม่มีแตนี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้ พระนั่นจริงต้องกำดำกำขาวไปเช่นเดียวกับเรากับท่านตัวโลกตัวสงสารแต่ตำหนี้ก็ตำหนีไม่ลงใครต้องการความสูกความวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อที่สายไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติพอไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ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 อ้าววันนี้แสดงเป็นตอนนี้อ่าพอสมควร